ในช่างผู้ทำเรือนพระพุทธภาสิทธ์อเนกชาติสัส่งซารังสั่นทาวิสั่งอนิบีสั่งกหะการังเขเวสสันโตดูฆ่าชาติปุณณ์ปุนังกหะการกะริโฮสิปุณะเกหั่งนกาการหสิสัปบาเตพาสุกาภักก า, หากหะโกตังวิสั่งขตังวิสั่งฆ่ารักขตังจิตตังตันห้านังขยามัชคาแปลความว่าเราที่ยสแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวทันหา เมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารหลายพบหลายชาติการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ดูก่อนตันหาผู้สร้างเรือนคืออัตรพาพบัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทําเรือนอีกไม่ได้สี่โครงทุกสี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนของท่านเรารู้เสียแล้วจิตของเราได้ถึงทำอันอะไรตรงแต่งไม่ได้แล้วเราถึงความสิ่งตันหาแล้วอธิบายความ การที่ทรงสแสวงหาในช่างบุธรรมเรือนคือตัวตันหานั้นหาให้พบเพื่อจะประหารเหมือนตำรวจเที่ยวหาโจรก่อนจะตรัสรู้นั้นพระศาสดาได้ท่องเที่ยวสแสวงหาคำตอบปัญหาชีวิตว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเกิดจากอะไรในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบว่าตันหานี่เองเป็นตัวสมุทยคือต้อนเหตุแห่งความทุกข์ตัวตันหาเป็นผู้สร้างเรือนคืออัธภาพร่างกายปราศจากตันหาแล้วความเกิดก็ไม่มี เพราะสัญหานี้เองทําให้เกิดบ่อยๆและพระองค์ทรงประจักษ์ว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีความเกิดแล้วสหพันธ์ของความเกิดก็ตามมาคือความแก่ความเจ็บและความตายความโศกเศร้าเสียใจพิรายลําพันต่างๆเพราะปิยวิทยประโยคบ้างขับแคลนเพราะอภิยะสัมปโยคบ้างความทุกข์ต่างๆได้ตามความเกิดมาเหมือนรถพ่วงวิ่งตามหัวรถจักรไปตรัสว่า ส่งบำเพ็ญบารมีต่างๆมานานชาติก็เพื่อได้เห็นแจ้งซึ่งในช่างคือตันหาผู้สร้างเรือนคืออันธพาพนี้เมื่อได้เห็นแจมแจ้งแล้วจะได้ทำลายตันหานั้นโดยสิ้นเชิงเมื่อตันหาดับความทุกข์ทั้งหมดก็ดับไปเองเหมือนไฟหมดเชื้อมอดไปเองเรื่องตันหาเป็นเหตุสำคัญให้เกิดทุกนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีความเห็นพร้อต้องการทั่วโลกจะต่างกันก็แต่เพียงทางแห่งการกำจัดทุกเท่านั้นในที่บางแห่งพระศาสดาตรัสว่า เพราะม่เห็นอริยสัตว์ 4. เราและท่านทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสงสารอันยาวนี้คําว่ายอดเรือนของท่านเราหักสียแล้วนั้นยอดเรือนหมายถึงอวิชชากว่าไม่รู้จริงเพราะเหตุที่ไม่รู้จริงจึงทําให้หลงไหลในสิ่งอันควรเบื่อหน่ายจิตมั่นในสิ่งอันควรปล่อยวางกล่าวโดยเฉพาะคือปัญจขันธ์นี้คําว่าสี่โครงทุกสี่หมายถึงกิเลสทั้งปวงนอกจากอาวิชชาเพราะเหตุที่ทรงหักกิเลสนี้เองจึงมีพระนามว่าภควะ คือพระผู้หักกิเลสเป็นความหมายหนึ่งในหลายความหมายแห่งคำว่าภะควะสมดังคำว่าภั ก, กระราโกภคกะโดโซภะกะโมโหอนาสโวภักกสะปาปะกาธรรมาภกกะวาเตนะุจติทรงเป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องรองใจเหลืออยู่อนาสโวและทรงหักธรรมชั่วทั้งปวงได้แล้ว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 คนอินเดียนั้นแม้ส่วนใหญ่จะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ส่วนมากรู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งในหมู่นักการศึกษาแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ดีทางนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขาจัดเป็นปรัชญายอินเดียสายหนึ่งเหมือนกันเรียก Buddhist philosophy คำว่าพะควานอกจากมีความหมายว่ า, วาเป็นผู้หักกิเลสมีราคะเป็นต้นแล้วยังมีความหมายไปทางยกย่องให้เกียรติอย่างมากอีกด้วย ดังคําว่าภควาติวจนะงเศทั้งภควาติวจนะมุตมังกรุการะวะยุตโตโซภควาเตนะอุจติคําว่าภักวะเป็นคําประเสริฐเป็นคําสูงสุดบุคคลผู้ควรแ ก, ก่ความเคารพในฐานะเป็นครูจึงจะได้รับนามว่าภักวะในพุทธศาสนานั้นพระที่ได้รับพระนามว่าครูและทรงเป็นบรมครูนั้น มีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าภาษาวกนอกนั้นเช่นภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเป็นอาจารย์ทั้งนั้นข้อว่าจิตของเราถึงวิสังขารแล้วนั้นหมายถึงได้บรรลุพระนิพพานอันไม่อยู่ในข่ายของสังขารแต่เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยปรุงข้อว่าได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นตัญหาก็หมายถึงพระนิพพานเหมือนกันเรื่องประกอบเรื่องปฐมโพธิการควางว่า เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรุใหม่ๆส่งเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระไทยที่ทรงชนะกิเลสได้ต่อมาเมื่อพระอานุน์ทูลถามถึงเรื่องนั้นจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าอเนกไกชาติสร้างส่ารังเป็นต้นกว่าว่าเราเมื่อสแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตันหาเป็นอาทิมีนยยะดังพันโนามาแล้วในวันตรัสรุนั้นทรงได้ปุกเพนิวาสานุสติยานยามแรก ทรงได้ที่ประจักษสุในยามกลางทรงอย่างพยานลงในปฏิยาการในยามสุดท้ายพอรุ่งอรุณก็ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วรงเปล่งพระาอานดังกล่าวแล้ว